ท่านฟังที่ครพค่าท่านอยู่ในช่วงเวลาของรายการสันนิสนานาค่ะการปฏิบัตินั้นเราได้ให้ท่านมีโอกาสได้กระทำพร้อมๆกันไปกับท่านฟังท่านอื่นๆที่ฟังอยู่ที่ fm 1 0 6แล้วก็ทั้งที่สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติัวละเล็กเวละน้อยแล้วก็จะติดเป็นอุปนิสัยเลยนะคะทีนี้พอนั่งว่างๆที่ไหนท่านก็จะระลึกถึงการที่จะวางจิตเอาไว้ในที่เดียว เพื่อที่จะทำให้จิตนั้นมีกําลังค่ะวันนี้เราก็มาพบกับพระอาจารย์ภั ย, ยบูลอภิปุโ น, โนในช่วงเวลาของเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยผู้วจนะกันต่อเลยค่ะนวสการคะท่านคะอาจารย์พรในเรื่องของการปฏิบัติสมาธิในตอนแรกของรายการเนี่ยคุณยมติว๋วท่านผู้ฟัง <c oughs> ที่นั่งฟังไปแล้วก็สังเกตลมหายใจไปด้วยเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากนะตอนเช้าๆหรือว่าช่วงเวลาไหนของวันก็ได้เราเราทำอย่างนี้เป็นเหมือนกับการฝึกที่เป็นรูปแบบ เป็นลักษณะการฝึกที่เป็นรูปแบบนะมีการนั่งกู้ขาเข้ามาหลับตาอยู่ในห้องว่างอยูอย่่ตามแนวป่า ก, ก็ได้อย่างไรก็ตามในทุกวันของการของที่เรามีอยู่ยี่ี่ชั่วโมงเนี่ยเราจิตเราต้องเป็นสมาธิตลอดนะมีความสำคัญมากไม่ใช่ว่ากิเลสหรือว่าความไม่พอใจอ่ะคุณโยมติ๋วมันจะมารอใหเรานั่งสมาธินั้นแล้วมันจะถึงจะมาหาเราถูกไ ม, มันมาหาเราตลอดเวลาไม่เลือกเวลาด้วย นะอยู่ในที่ทํางานอยู่ในออฟฟิศเดี๋ยวมันก็มานะขับรถอยู่เดี๋ยวมันก็มามันไม่ได้มารอให้เรานั่งสมาธินะเพราะฉะนั้นก็นั่งเป็นเวลาเวลาไม่ได้หรอคะ <c oughs> ก็ถ้าเราเลือกได้ก็ดีแต่เราเลือกไม่ได้ะนะไอ้ปัญหาที่มันจะเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยมันไม่ได้มามันเราไม่ได้เลือกมนันบางทีมันมาทางโทรศัพท์บางทีมาทางอีเมลบางทีมาตามที่ต่างๆเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาการฝึกเป็นรูปแบบเนี่ยจึงมีความสาคัญระดับหนึ่ง แต่อย่างใดก็ตามนะคุณโยมติว๋วสมาธิต้องมีทั้งวันพระพุทธเจ้าบอกว่าเธอต้องทำสมาธิเนี่ยอย่างเอือ้อเฟื้อเวลาเช้ากลางวันเย็นไม่ให้พลาดเลยถ้านอนตอนนอนนะตอนฝันอยู่ก็ต้องทำสมาธิด้วยอา้าวบางคนฝันว่าตัวเองไปนั่งสมาธิก็เ <c oughs> ขาทากันนะ่ไหค ะ, าคะ <c oughs> บางคนอาจจะยังไม่เคยปฏิบัติสมาธิพอฟังท่านปุ๊บตกใจคะ่ะ <ừ, ừ. S 2> โอ้ทาทั้งวันทายังไงอ่ะเนี่ยเริ่มต้นยังทาไม่ได้เลย แล้วก็บางคนอาจจะอยู่ในระหว่างการทำแล้วมีปัญหาแบบคำถามนี้เลยค่ะที่ส่งไปหาท่านที่ peethama com slash หนึ่งูนย์หกโดยคุณยศกรเกียรติวรชาติเนี่ย น, นะคะก็บอกว่าเวลาที่นั่งสมาธิมักฟุ้งซ่านคิดไปต่างๆนานาเมื่อรู้สึกตัวดึงตัวเองกลับมาในสมาธิไม่ได้ได้ไม่เกินสองนาทีก็จะฟุ้งซ่านอีกครั้งอยากทราบว่าเป็นเพราะห่วงหน้าที่การงานความรับผิดชอบหรือ อ่คำคำถามหลังนี่ท่านชอบนะคะหรือจิตใจเราไม่เข้ากับธรรมะอืมอ่าเอาไปทีละขั้นตอนข อ, อใท่านช่วยชีย้แจงแล้วก็แนะนําเลยค่ะอันดับแรกของคุณเจ้าของคําถามเนี่ยนะยต้องศกรนาคุณยศกรต้องตอบว่าอถ้าเรานิ่งอยู่แค่สองชั่วโมงสองนาทีเนี่ยจิตเราก็ยังเป็นสมาธิอยู่ประมาณสองนาทีนะอันนี้ดีมากมากเลยดีแล้วเป็นสมาธิอยู่เป็นสมาธิอยู่สองนาทีก็ดีมากๆแล้วเราต้องมองโลกในแง่เดียวนี้อันที่หนึ่ง อันที่2ก็คือว่าถ้าเผื่อว่าเริ่มฟุ้งซ่านไปเนี่ยมันเป็นธรรมดาของจิตที่มันไหลไปตามต า, มตามหูจมกูกลิ้นกายมันเป็นธรรมดาของจิตที่ยังไม่ได้รับการฝึกที่จะต้องไหลไปตามสิ่งที่มาดึงเดี๋ยวเราเห็นรูปเราได้ยินเสียงไอ้ใครมาทำเสียงตรงนี้ไปละความคิดพรุงแต่งกันต่อเนื่องเพราะว่าเราถูกมันดึงมาตลอดเวลาแล้วตั้งแต่เกิดเพราะฉะนั้นการที่เราจะฝึกตรงนี้มันก็ค่อยเป็นค่อยไป อย่างน้อยเราก็ทำจิตให้เป็นสมาธิได้สามสิบวินาทีก็เอานั้นหนึ่งนาทีก็ยิ่งดีสองนาทีได้นี่ดีมากๆเลยนะค่ะ uh, แปลว่าไม่ต้องตกใจไม่ใช่ว่าห่วงการงานรับผิดชอบหรือจิตไม่เข้ากับธรรมะซึ่งข้อหาหลังนี่มันร้ายแรงมากนะคะจิตไม่เข้ากับธรรมะมจริงๆแล้วเนี่ยธรรมะเนี่ยมันเกิดที่จิตธรรมะเนี่ยมาจากจิตเพราะฉะนั้นจิตทุกดวงเนี่ยไม่ว่าจิตของจะเป็นนัก ข้าตกรระดับอาชญกรระดับโลกหรือว่าเป็นนักบวชนักบุญเนี่ยก็มีต้องมีธรรมะได้ทั้งนั้นธรรมะเนี่ยเข้ากับจิตได้ทุกประเภทอ่าเพราะว่าถ้าเข้าไปแล้วเนี่ยจิตเขาจะสว่างสวัยเป็นจิตที่เบาสบายแล้วธรรมะเนี่ยก็เป็นธรรมชาติที่เกิดจากจิตจิตประเภทไหนก็ตามเนี่ยได้ธรรมะได้ทั้งนั้นประเด็นคือว่ามันไม่ใช่ว่าทําแล้วมีธรรมะในจิตแล้วจิตจะรับไม่ได้ประเด็นคือไม่ทําหรือว่ามี หรือว่ามีอุปสรรคอะไรเล็กๆน้อยๆก็ท้อแท้ท้อถอยเลิกเนี่ยนี่คือประเด็นอย่างคุณคยศพรยศยศ ก, กรที่ถามมา ก, กรี่ย ค, คุณยศ ก, กรที่ถามคําถามมาเนี่ยดีมากๆเพราะว่าเราเจออุปสรรคเนี่ยเจออุปสรรคเนี้เราอย่าทอ้อให้เราทําต่อไปสองนาทีก็ดีแล้วนะเราทําไปทําไปเนี่ยเราถึงจะค่อยๆเพิ่มตรงนี้จะค่อยๆเพิ่มขึ้นได้ คุณไม่เคยปฏิบัติมาก่อนไม่เคยฝึกมาก่อนอยู่ๆฉันจะนั่งสมาธิหนึ่งชั่วโมงเอาให้มันแบบห่อเขินเดินอากาศได้เลยโอ้โหมันไม่ได้หรอกย่อมที่มันยากนะใช่ค่ะ <c oughs> ค่ะท่านพายบุลครับคือฟังท่านเนี่ยเหมือนกับว่าได้สองนาทีก็ดีแล้วถ้านั่งต่อไปเรื่อยๆจะสามารถมีสมาธิได้นานกว่าสองนาทีแล้วจึงจะฟุ้งซ่านสักครั้งหนึ่งงั้นใช่ไหมคะใช่ใช่ใชเป็นไปได้และมันมีโอกาสเป็นไปในลักษณะนี้ไหมคะเหมือนเล่นกอล์ฟค่ะบางคนเขาบอกว่า อ่ะช่วงแรกมันก็จะดีไปสักพักหนึ่งเสร็จแล้ววงสวิงมันหายอื ม, มันจะต้องกลับมาหาวงสวิงของตัวเองคือเหมือนกับว่ามันขึ้นขึ้นลงลงเป็นเช่นนี้เสมอถ้าหากอ่อนซ้อมค่ะเป็นไปได้แล้วก็เป็นไปไม่ได้นะเป็นไปได้เนี่ยหมายความว่าอในกรณีบางคนอย่างที่คุณยมติวพูดเมื่อสักครู่อ่อนซ้อมเราไปเจอผัสสะที่เรา <c oughs> เราไม่ได้ควบคุมผัสสะ เราไม่ได้คอยระวังสมรสมิอนทรีย์มีสติหลุดบ้างนั่นบ้างอ้าวมันก็หายไปได้นะครูบาอาจารย์เราอาจจะเคยเห็นอ่านประวัติท่านเพราะว่าสมาธิหายอะไรต่างๆก็มีหรือถ้าไม่มีก็เป็นไปได้นะถ้าเราให้อาหารจิตอยู่เรื่อยๆให้บ่อยๆนะทำอยู่เป็นประจำเช้ากลางวันเย็นไม่พลาดาเอาน้อยๆแต่ต่อเนื่องอย่างนี้ก็จะไม่หายก็จะมีต่อไปได้เรื่อยๆก็จะค่อยละเอียดลึกซึ้งขึ้นไปมันต้องซ้อมเหมือนอย่างวงสวิงกอฟนี่แหละยกตัวอย่างได้ดีมาก ก็เท่ากับว่าถ้าท่านเกิดมีคำมีปัญหาคนละประเภทหรือคุณยศกรถือว่ามาดีๆอยู่เลยนะคะแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆอยู่ดีๆมันถดถอยหรือว่าหายไปเลยก็ไม่ต้องตกใจใช่ไม่ต้องตกใจต้องมีความเพียรต่อไปใหม่ใช่คือมันจะเป็นไปได้มันเป็นไปได้คนที่อาจจะอยู่ในหน้าที่การงานเนี่ยมันเจอสิ่งแวดล้อมมันหลายอยา่างหลายสิ่งอะ ข่าวนี้มาข่าวนั้นไปมันก็จะกระทบกระเทือนจิตเราได้เป็นไปได้ค่ะท่านคัที่ฉันได้อ่านพุทธวจนะในเรื่องของอริยศัสตร์จากพระโอษณะนะคะในเล่มนี้แล้วก็ได้พูดถึงธรรมะที่เป็นอุปการะแกะอนาปานาสติภาวนาที่บอกว่าเป็นผู้มีความต้องการน้อยมีอาหารน้อยไม่มีความมืนชา ม, มืนชามีสุตตะมากพิจารณาเห็นเฉพาะอยู่ซึ่งจิตอลุดพ้นแล้ว การปฏิ บ, <ำ S 2> บัติสมาธิที่ดิฉันกราบเรียนถามท่านอยู่เนี่ยจัดได้ว่าเป็นอานาปานาสติถูกไหมคะถูกต้องเพราะฉะนั้นขอความกรุณาให้ท่านช่วยอธิบายอะค่ะว่าทำต่างๆที่พระพุทธองได้ตรัสนะนะคะห้าประการนี้ว่าจะทําให้เจริญอน า, าปานาสติได้ดีเนะะี่ยค่ะเป็นอย่างไรคะอันนี้เพื่อเฟืเ้อกันอย่างไรอ่าเป็นเป็นเหตุเหตุเหตุอย่างเนี่ยอ่าห้าอย่างจริงๆแล้วทั้งหมดเจ็ดอย่าง เหตุเหตุทั้งหมด7อย่างเนี่ยจะทําให้การปฏิบัติอานาปานาสติของเราเนี่ยละเอียดลึกซึ้งลงไปยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นได้เหตุท้าอย่างนั้นก็คืออะไรเอาอย่างแรกนะเป็นผู้ที่มีอาหารน้อยมีอาหารพอสมควรนะท้องพร่องอยู่เสมอก็คือถ้าเรากินอิ่มคุณโยมติ๋วมันก็หลับตอนนั้นเอง mm hmm. หลังท้องตึงหนังตาหย่อน mm hmm. อการประกอบความเพียรในการสังเกตลมหายใจก็จะทําได้ยากนะเอาแค่ว่ากินอิ่มมากๆอ่ะจนเกือบจุกอย่างนี้นนะ แค่หายใจเข้าออกอย่างยากเลยแต่บางคนโอโ้โหกินอิ่มจนี้นก็ตั้งถึงคอหอยแล้วก็หายใจแทบไม่ได้ก็มีนะท่านอาจารย์คะแต่ดิฉันมีคำถามที่แตกต่างนะคะคือหมายถึงว่าบางทีเราก็รับประทานไม่ได้มากนะคะที่คำว่าว่าน้อยเนี่ยหมายถึงอย่างไรเราก็ยังรู้สึกว่าคือจะเป็นคนที่ไปทำงานออกไปนอกบ้านกลับมาแล้วก็จะเหลือเวลา มันเขาเรียกอะไรคะหรือเวลาพักผ่อนน้อยใช่ไหมคะาามาถึงปุ๊บเราก็รีบทานอาหารทานอาหารเสร็จก็ทานไม่มากเราก็ต้องช่วยเวลาทําสมาธิก็สังเกตตัวเองนะคะว่า ม, มันยากลำบากแต่ว่าไม่รู้จะปรับยังไงก็ปรับที่อาหารว่าหรือเราจะต้องไม่ทานเลยเพราะว่ากานน้อยอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะค ะ, ะเรื่องของคนที่ทานน้อยอยู่แล้วเนี่ย ก, ก็ดีแล้วนะก็ไปดูเหตุอื่นนะเหตุอื่นอื่อทานน้อยต้องเพิ่มอีกนิดนึงว่าใน ที่บุรุษาบอกว่าให้มีท้องอันพร่องนี่นะคือท้องเราเนี่ยมันจะมีส่วนที่เป็นปูดปูดขึ้นมาอยู่ตรงข้างบนนะ่ะคือคือท่ออาหารที่มันลงไปเนี่ยมันก็จะมีส่วนที่เป็นเหมือนกับไว้เก็บอากาศซึ่งตรงเนี้ยเป็นการกระบวนการที่พอย่อยแล้วเนี่ยมันก็จะมีก๊าซมีอะไรของเขาเนี่ยตรงนี้มันต้องมีเก็บอยู่เพื่อให้การทํางานของกระเพาะมันได้อย่างมีประสิทธิภาพอันนี้คือให้มีที่พร่องอยู่บางท่านจะสําหรับคนที่ทานน้อยอยู่แล้วก็ไปดูเหตุอื่นคุณสั่งสมสุตตะทรงสุตตะมากหรือเปล่าอ่า แล้วก็อย่างที่สเอเป็นผู้ประกอบตนอยู่ในความเป็นคนตื่นอยู่รืเปล่าเรื่องเครื่องตื่นเนี่ยบางคนอาจจะเข้าใจว่าโอ้โหยีชั่วโมงฉันจะต้องไม่นอนเลยเหรอไม่ใช่อย่างนั้นเรื่องการประกอบตนอยู่ในความเป็นในความตื่นเนี่ยหมายความว่าอยู่ในชากริยานธรรมนะชากริยานธรรมเนี่ยคือการประกอบตนอยู่ในความตื่นตื่นเนี่ยหมายความว่าให้นอนยามเดียวนะคือยามกลางแห่งราตรีแล้วก็ที่เหลือของทั้งวันเนี่ยเราก็ เพียงปฏิบัติเผากิเลสนะด้วยการเดินด้วยการนั่งทั้งวันอย่างนี้เรียกว่าประกอบตัวหนึทำมันเป็นเครื่องตื่นเราก็ต้องดูเหตุอย่างอื่นว่าคุณเป็นคนมีภาระมากไหมเดี๋ยวต้องไปทําไปนั่นเดี๋ยวต้องไปทำไปำนี่เดี๋ยวก็นี้คนามีมาติดต่ออันนี้ก็ต้องจัดการเดี๋ยวก็ต้องมาทําอย่างงั้นอย่างนี้เสร็จแล้วก็โท ร, ร, รหาคนนี้แล้วก็ต้องไปตามประเทศเดี๋ยวกลับมาบ้านเตรียมของแล้วออกไปข้างนอกอีกนี่มันกัจการงานมากก็จะสังเกตยากอีกประการหนึ่ง<ค>ก็คือว่าการ พี่พุช่าบอกว่าพิจารณาอยู่เฉพาะซึ่งจิตอันหลุดพ้นแล้วนะคือเราต้องรู้ว่าระจิตของตัวเองคุณยมติว่วาจังหวะไหนที่เราวางได้เอจิตของเราเป็นอย่างนี้ทําไมสภาวะนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วเป็นยังไงต่อไปฉันจะวางจุดนี้ยังไงเราต้องสังเกตจิตของเราตรงนี้นะคะ่ะอย่างเอาง่ายๆอย่างยกตัวอย่างมายอย่างเงี้ยเราไปเจอสถานการณ์สถานการณ์หนึ่งพอเราเจอผัสสะอย่างนี้แล้วเนี่ยเราต้องสังเกตจิตของเราว่า การปรุงแต่งของจิตเราทําไมเป็นอย่างนี้อาจจะมีความไม่พอใจเกิดขึ้นอาจจะมีความกําหนัดยินดีเกิดขึ้นตั้งๆที่มันไม่เคยเป็นมาก่อนอเราต้องสังเกตให้ได้ถ้าสังเกตอย่างนี้ได้แล้วเนี่ยก็จะทําให้การเจริญอนาณาปานสติเนี่ยลึกซึ้งยิ่งๆขึ้นไปได้ค่ะพูดถึงพิจารณาเห็นเฉพาะอยู่ซึ่งจิตอนลุดพ้นแล้วก็ ถ้าจะให้เข้าใจง่ายๆถ้าระหว่างการปฏิบัติก็สังเกตจิตอาการของจิตในขณะปฏิบัติแต่ถ้าในระหว่างการดําเนินชีวิตเราพิจารณาต่อเนื่องไปด้วยอันนี้ถือว่าเป็นส่วนที่จะเอื้อกับการที่จะไปพิจารณา ใ, <ช>ในขณะปฏิบัติไหมคะใช่ใช่ใชใชคือเหมือนกับว่าปฏิบัติต่อเนื่องอย่างเช่นอย่างอย่างที่ฉันฟังท่านอาจารย์พูดถึงเรื่องฝันเนี่ยอืม ก็เคยฝันเมื่อไม่นานไปเนี้ยนะคะฝันแล้วก็เหมือนกับเราก็มีความรู้สึกว่าคิดไปในทางที่มันเป็นกิเลสการพยาบาทเบียดเบียนเนี่ยคิดว่าจะทําในสิ่งนั้นเสร็จแล้วมันเกิดการยับยั้งในฝันอย่างเงี้ยค่ะอันนี้มันคล้ายๆกันกับที่อาจารย์กำลังพูดด้วยค่ะใช่ใช่ดีมากๆเลยค่ะมันเกี่ยวกันไหมคะว่าเป็นเพราะว่าเราพยายามที่จะทําในสิ่งที่ฝึกตนปฏิบัติตนพัฒนาจิตตนอย่างเงี้ย มันก็เลยเป็นอุปนิสัยว่าแม้แต่ในฝันก็ยังอัตโนมัติว่าเป็นอย่างนี้ถูกต้องถูกต้องเลยอย่างอย่างพระนัานในสมัยพ <c oughs> ุทธกาลนะนะแม้แต่ฝันเนี่ยก็ไม่มีความคิดเรื่องการพยาบาทเปลี่ยนเปลี่ยนแม้แต่ในฝันอย่างพระบวชมาใหม่ๆคุณโยมติว๋วเอ่อพระบวชมาใหม่ๆเนี่ยไม่ได้ฝันว่าตัวเองเป็นพระหรอกนะฝันว่าตัวเองยังเป็นฆราว่าไปทํานั่นทำนี้ฝันนั้นในความฝันต้องบวชเป็นหลายๆปีอ่ถึงจะฝันว่าตัวเองเป็นพระไปทํากิจกรรมของพระอย่างเงี้ยบางทีมันก็เป็นอย่างนนัก ก็ลองไปทดลองดูนะคะสำหรับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกๆ ท, ท่านว่าถ้าเกิดท่านปฏิบัติสมาธิแล้วไม่ค่อยก้าวหน้าขอให้ท่านเพบูลช่วยสรุปอีกครั้งได้ไหมค ะ, ะว่าปัจจัยทั้งหลายที่จะเอื้อกับการปฏิบัติของท่านนั้นมีอะไรอีกบ้างคะ่ะอ่ะาก็ไล่เป็นลําดับและกันจะสรุปให้อย่างแรกก็คือว่าต้องมีกิจน้อยเลี้ยงง่ายสะดุดในประการแห่งชีวิตอันที่สองเนี่ยต้องเป็นผู้ที่มีอาหารน้อย นะประกอบตนอยู่ในความเป็นผู้มีท้องอันปร้องแนะกินพอดีพอดีอันที่สามต้องเป็นคนที่ศึกษาพุทธวจนะทรงสุดตะสังสมสุดตะนะจําให้ได้ <Okay. S 1> ต้องคล่องให้คล่องปากขึ้นใจนะแล้วก็ด้วยความหมายที่ถูกต้องอันที่สี่นอกจากนี้ยังต้องเป็นผู้ที่รู้สภาวะจิตของตัวเองนะคือเห็นเฉพาะอยู่ซึ่งจิตของเราเที่พ้นผ่า น, พ, นพ้นไปตามลําดับลําดับเป็นอย่างไงบ้าง <Okay. S 1> แล้วก็อันที่ห้าต้องเป็นผู้ที่อยู่ป่ามีเสนาสนะอสงัด ข้อที่6นอกจากนี้ก็ยังจะต้องเป็นผู้ที่ศึกษาธรรมะในแง่ของว่าเรื่องของการขุดเกากิเลสเรื่องของสีเรื่องของสมาธิเรื่องของการไม่คลุกคลีด้วยหมู่คณะเนี่ยไอ้ธรรมะหมวดเนี้ยเรื่องอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เราเอาศึกษาเรื่องการตั้งความเพียรเรื่องสีเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเรื่องมิมุติยานัตสนาอันนี้เราก็เอาประการหนึ่งที่เราจะต้องมีก็คือเราต้องอย่าท้อถอย อ, อย่างคุณยศศรยศกรเนี่ยถูกต้องแล้วนะเจอปัญหานิดๆหน่อยๆเราก็ทำไปเรื่อยๆเราทไปเรื่อยๆ อ, อย่างนี้แหละจ้ะค่ะอย่าท้อถอยและนี่ก็คือส่วนหนึ่งของเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพู้ทวัจนะนะคะที่ในวันนี้พระอาจารย์เพลบุญอาพิปุณโนวัดป่าดอนหายโศกก็ได้มาให้ความกระจ่างกับพวกเราค่ะนมสักการขอบพระคุณท่านนะคะใชนบลแค่ท่านฟังค้าส่วนในช่วงท้ายท่านก็ จำไว้นะคะว่าจะกลับเรียนถามคําถามท่านเพบูลได้ที่เพียวธรรมะ .com/106 หรือที่022690006และที่เบอร์โทรศัพท์เดียวกันนี้ท่านจะติดต่อเข้ามาเพื่อขอหนังสือซึ่งพระอาจารย์คริสติสโสธิพโลวานาปาพงลำลูกกาคลองสิวัดเดียวกับท่านมาร์คซึ่งได้มานําท่านปฏิบัติธรรมในช่วงต้นของรายการวันนี้ทุกวันได้ให้มานะคะวันลา3ท่านส่วน ซีดีธรรมะตอนนี้คุณมดก็ส่งข่าวมาว่ากำลังผลิตอยู่อีกไม่นานก็คงจะพร้อมที่จะแจกต่ออีกอย่างไรก็ตามท่านก็ขอพลางๆก่อนได้นะคะที่02269006เช่นกันและดิฉันเองฝากเอาไว้นะคะสำหรับโครงการพูดชอบพูดสัมมาว่าจากนะคะขอให้ท่านได้ทราบว่า ตั้งแต่วันที่18นับไปอีก84วันเรารณรงค์ให้คนไทยทั้งหลายได้พร้อมใจกันพิจารณาหลักการสัมมาวาจาคือไม่พูดปดไม่พูดให้แตกแยกไม่พูดคำหยาบและไม่พูดเพ้อเจ้อว่าท่านเห็นด้วยหรือไม่ท่านจะพยายามปฏิบัติไหมแล้วก็ลงนามที่ใบไม้ซึ่งเราจัดทำเอาไว้ใน Facebook พูดชอบ p w o d s h o b หรือที่ world wide web o bthai.bethai.org นะคะแล้วก็จะได้สะสมให้ถึงแปดล้านสี่แสนชื่อถวายเป็นแค่ชฉกขุสลแดเพระเจ้าอยู่หัวของเราค่ะนะคะช่วยกันดิฉันเชื่อว่าเราจะรวบรวมได้ไหนไม่ช้านี้ด้วยมีทุกทกท่านได้ช่วยกันอีกแรงหนึ่งนะคะวันนี้ก็ลากันไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะพุทธ ว, วัสดีค่ะ